พระบัญญัติก็ภิกษุใดชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบัตปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชัพคีจบ